พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์พุทธพจน์ในชื่อหัวข้อนั้นหมายถึงพุทธาที่วัจนะคำกล่าวของบัณฑิตทั้งหลายมีพุทธพจน์เป็นประธานคือพระพุทธดำรัสรอมทั้งวัจนะของพระมหาสาวกและเหล่าบัณฑิตที่พ่วงมาในพระตายปิฎกแต่ใช้คำนี้เพื่อให้หัวข้อเป็นคำสั้นและง่ายทุกบทในหนังสือพุทธธรรมนั้นพึงทราบโดยในยะนี้ พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์ว่าด้วยเรื่องความรู้เท่าทันสภาวะของไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรเพราะยึดถืออะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาคือตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายเมื่อรูป เมื่อเวทนาเมื่อสัญญาเมื่อสังขารเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา ภิกษุทั้งหลายสมณะทั้งหลายก็ดีพราหมณ์ทั้งหลายก็ดีเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่มองเห็นอัตตาคือตัวตนแบบต่างๆหลากหลายเป็นอนเนกย่อมมองเห็นอุปทานนักขันเหล่านั้นทั้งหมดหรือไม่ก็มองเห็นขันใดขันหนึ่งในบรรดาอุปาทานนักขัเหล่านั้นว่าเป็นอัตตากล่าวคือภิกษุทั้งหลายอุทุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้เรียนสดับย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้างย่อมมองเห็นอัตตามีรูปบ้างย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้างย่อมมองเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณทำนองเดียวกันโดยในย่ะดังกล่าวนั้นการมองเห็นนี้แล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่าตัวเรามีตัวเราเป็นภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึ่งเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเรามิใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุททั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แม้สภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปจนถึงวิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปจนถึงวิญญาณซึ่งเกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาได้จากที่ไหนท่านเอย่ย อริยาสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วได้พบเห็นอริยชนทั้งหลายฉลาดในอริยธรรมฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมได้พบเห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายฉลาดในสัพพุริสธรรมฝึกอบรมดีแล้วในสัพพุริสธรรมย่อมไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาไม่มองเห็นอัตตามีรูป มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาไม่มองเห็นอัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอาริยสาวกนั้นรู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เป็นสิ่งปรุงแต่งบันรอนกันเองตามที่มันเป็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งปรุงแต่งบันรอนกันเองอริยสาวกนั้นไม่ยึดถือไม่ถือค้างไว้ไม่มั่นหมายปักใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนของเราอุปทานขันห้าเหล่านี้ที่อริยสาวกนั้น ไม่ยึดติดไม่ถือมั่นแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเ น, นื้อหานี้แปลรวมความเป็นภาสิทธิ์ของพระสาวรีบุตรข้อความว่าไม่เห็นรูปเป็นตนไม่เห็นตนมีรูปไม่เห็นรูปในตนไม่ใช่ตนในรูปนั้นถ้าจะใช้คำสับสั้นๆก็ตรงกับคำในวิสุทธิทมรกว่า นะอัตตาไม่เป็นตนนะอัตโนไม่ใช่ของตนนะอัตตนิไม่ใช่ในตนนะอัตตวตีไม่ใช่มีตนวิสุทธิมักษ์แสดงวิธีพิจารณาให้เห็นความว่างจากตัวตนโดยใช้คำพิจารณามากมายหลายแง่เช่นกำหนดพิจารณารูปว่าไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่เนระไม่ใช่มานวะไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยมคือเนื่องด้วยตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่ของใครๆแนทันข้าหาบดี อย่างไรจึงชื่อว่าป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจในข้อนี้อุทุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับไม่ได้พบเห็นอริยชนทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ฝึกอบรมในอริยธรรมย่อมมองเห็นรูปเวทนาสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิญญาณเป็นตนคืออัตตามองเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนมองเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเวทนาเป็นเราเวทนาของเราสัญญาเป็นเราสัญญาของเราสังขารเป็นเราสังขารของเรา วิญญาณเป็นเราวิญญาณของเราเมื่อเขาอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเราว่ารูปเป็นเรารูปของเราละจนถึงวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นเขาย่อมเกิดความโศกเศร้าความคร่งครวนความทุกขโทมนั์และความขับแค้นผิดหวัง เราะการที่รูปละจนถึงวิญญาณแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นณท่านขหบดีอย่างไรจะชื่อว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสึับแล้วย่อมไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนคือเป็นอัตตา ไม่มองเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณไม่มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนไม่มองเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณไม่อยู่ด้วยความรู้สึกรุมร้าว่ารูปเป็นเรารูปของเราเวทนาเป็นเราเวทนาของเรา สัญญาเป็นเราสัญญาของเราสังขารเป็นเราสังขารของเราวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเราเมื่ออริยส า, าวกนั้นไม่อยู่ด้วยความรู้สึก ร, ร้ารุมว่ารูปเป็นเรารูปของเราลาจนถึงวิญญาณเป็นเราวิญญาณของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นแปรโปรนไปกลายเป็นอย่างอื่น เธอก็ไม่เกิดความโศกเศร้าความคร้ามครวญความทุกขโมนัดและความขับแคนผิดหวังเพราะการที่รูปละจนถึงวิญญาณแปรปลีนไปกลายเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายอย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวายที่เกิดจากความไม่ถือมั่น ในข้อนี้อริยะสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วยอมไม่มองเห็นรูปเป็นตนไม่มองเห็นตนมีรูปไม่มองเห็นตนในรูปไม่มองเห็นรูปในตนถึงรูปของเธอนั้นจะแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นเธอก็ไม่มีวิญญาณที่หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูปเพราะการที่รูปแปรปลีนไปกลายเป็นอย่างอื่นนั้นด้วย ความกระวนกระวายและประดาความรู้สึกนึกคิดคือธรรมะสมุปบาทที่เกิดจากการหมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูปก็ครอบงำจิตของเธอไม่ได้เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงำเธอย่อมไม่มีความวันหวาดไม่มีความคับแค้นใจไม่มีความห่วงหาอะไรเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่กระวนกระวาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็โดยในญาติเดียวกันภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจงความปรปรวนไปจางคลายไปดับไปของรูปมองเห็นอยู่ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่ารูปในการก่อนก็ดี รูปทั้งปวงในบัดนี้ก็ดีล้วนไม่เทียงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนั้นก็ยอมละความโศกเศร้าความคร่ำครวญความทุกโทมนัดและความคับแค้นผิดหวังเสียได้เพราะละความโศกเศร้าจนถึงความคับแค้นผิดหวังเสียได้ก็ไม่กระวนกระวายเมื่อไม่กระวนกระวายก็อยู่เป็นสุข ภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเราเรียกว่าต่ทังคะนิพุตังผู้นิพพานเฉพาะกรณีนั้นๆในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็โดยในยาเดียวกันอุทุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับนั้น ย่อมมนาสิกาโดยไม่แยบไข่คืออโยนิโสมนาสิกาคือย่อมมนาสิกาโดยไม่แยบไข่อย่างนี้ว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้มีแล้วหรือหนอหรือว่าเรามิได้มีเราได้เป็นอะไรหนอเราได้เป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรหนอในอนาคตการอันยาวนานเราจากมีหรือหนอ หรือว่าเราจักไม่มีเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราจักเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือปรารบการปัจจุบันในบัดนี้มีความสงสัยขึ้นภายในว่าเรามีอยู่หรือหรือว่าเราไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอสัตว์นั้นจักไปณที่ไหนหนอ เมื่อปุตุชนนั้นมานสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ6กอย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิคือยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตา เรากำหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่าอัตตาของเรานี่แหละที่เป็นตัวบงการเป็นผู้เสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วณที่นั้ น, น, นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปมีความไม่ผันแปรเป็นธรรมดาจะคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทิฏฐิโรคชัดแห่งทิฏฐิกันดานแห่งทิฏฐิเสี้ยนน้มทิฏฐิความดิ้นรนแห่งทิฏฐิทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์ปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนสดับซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้ยอมไม่พ้นจากชาติชารามนะโมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัและอุปายาต เรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วละจนถึงย่อมรู้ชัดธรรมะที่ควรมานสิการรู้ชัดธรรมะที่ไม่ควรมนาสิการย่อมไม่มนาสิกานธรรมะที่ไม่ควรมานสิการย่อมมนาสิการธรรมะที่ควรมนาสิการ ธรรมะที่ไม่ควรมนาสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นชไหนเปล่าคือเมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมะเหล่าใดกามสวะกก็ดีภวาสวะกก็ดีอวิชชาสวะกก็ดีที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญเหล่านี้คือธรรมะที่มีควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนาสิการ ธรรมะที่ควรมนานัสิการซึ่งอริยส า, าวกมนานัสิการเป็นฉไหนกล่าวคือเมื่ออริยส า, าวกมนานัสิการธรรมะเหล่าใดกรรมสวะ ก, ก็ดีภวาสวะ ก, ก็ดีอวิชชาสวะ ก, ก็ดีที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละเสได้เหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนานัสิการซึ่งอริยส า, าวก ย่อมมนาสิการเพราะอริยสาวกนั้นไม่มนาสิการธรรมะที่ไม่ควรมนาสิการและมนาสิการธรรมะที่ควรมนาสิการอสุวาทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะถูกละเสด้อริยสาวกนั้นย่อมมนาสิการโดยแยบคาย คือโยนิโซมันาสิการว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับทุก์นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกขเมื่ออริยส า, าวกนั้นมนาสิการโดยแยบขายอย่างนี้สังโยศสามยอมถูกละเสได้กล่าวคือสักยะทิฏฐิวิจิกิชฉาศิลพพตะปรามาต